วิทยุราชมงคลธัญบุรี ame, 5, a i r f อ5เมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรีให้บริการทรงเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทรีตเมนทุกส่วนของร่างกาย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 ทยุราชมงคลทัญบุรีกับช่วงเวลาแห่งความสุขต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขอาสาดำเนินรายการโดยนัฐพลดีอุดควบคุมรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกอรกุลกนิตทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี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 ที่รินเ ม, มือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลัง สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสาครับ กลับมาพบกับผมนะครับนัทพลดีอุดนะครับทุกคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับกับเรื่องราวข่าวสารนะครับงานอาสาต่างๆที่เราจะนํามาแชร์นํามาบอกต่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการสุขอาสานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ครับศุขอาสาครับเริ่มต้นรายการด้วยกิจกรรมดีๆนะครับเป็นข่าวสารจากปอดติ๊กึงนะครับเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับในการช่วยเหลือนะครับกับหมายเลข1418นะครับคุณฟังครับเมื่อวันที่19กันยายนสองพันที่ผ่านมานะครับวัที่ ปอติกตึงนะครับโดยนายวิเชียนเตชะไพบูุ์ประธานกรรมการมูลนิธินะครับจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโมบายแอปพลิเคชันปอติกตึง1418นะครับช่องทางใหม่นะครับสำหรับตอบโจทย์ประชาชนนะครับทุกช่วงวัยในยุคดิจิตอลนะครับให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยทั่วประเทศนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแรกในเมืองไทยที่สามารถแจ้งเหตุพร้อมส่งพิกัดสถานที่อัตโนมัติและสามารถติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือได้แบบทัน ท่วงทีเรียกว่าเรียวไทม์กันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงการโทรสายด่วนโปรติกตึ้งหนึ่ที่ง่ายดายด้วยรูปแบบการใช้งานที่เรียบง่ายนะครับเข้าถึงทุกฟังก์ชันได้อย่างสะดวกไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้ใช้งานในภาวะฉุกเฉินติดต่อได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับและแม่นยําที่สุดโดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารมูลทีิโปรติกตึ้งนะครับหน่วยงานในเครือพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายอีกมากมายร่วมในพิธีนะครับณนะห้องประชุมชั้น2อาคาร2มูลิี่โปรติกตึ้งพับพาชัยกรุงเทพ มหานครนะครับโดยนายวิเชียรเตชาพยบุย์ครับประธานกรรมการมุธิปริตึงเปิดเผยนะครับว่าด้วยประสบการณ์ของมุทิปริตึงกว่า109ปีทางมุทิปติตึงเองก็จะได้รับแจ้งเหตุและ เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบต่างๆมานับไม่ถ้วนนะครับจึงเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้วยการหลอคอยในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายความกังวลต่างๆรวมถึงศักยภาพการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ที่กำลังเดินทางมาช่วยเหลือทางบุธปอตึกตึงเองก็ได้ตราหนักถึงในเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงไม่หยุดยั้งนะครับในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เรื่อยๆมานะครับควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรของทางที่เองนะครับทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และและความต้องการของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันนะครับโดยในายะเทพนะครับซอสด ที่กุลนะครับผู้ช่วยกรรมการที่ปรึกตื้งเปิดเผย อ, อีกนะครับว่าการลดความกังวลในภาวะฉุกเฉินของผู้แจ้งเหตุและผู้ประสบเหตุเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักที่ทางริปรตึกต้งเองนํามาใช้พัฒนาระบบการสื่อสารจากเดิมเป็นการโทรเข้าเบอร์7หลักธรรมดาพัฒนาเป็นสายด่วนตึกตื้ง1418และในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประชาชนนะครับทุกเพศทุกวัยประกอบกับพลเมืองจิตอาสารวมถึงพลเมือง ดิจิตอลนะครับซึ่งนับได้ว่ามีบทบาทและเป็นกําลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมากทางมูลที่โปรตึ้งเองนะครับจึงได้รวบรวมข้อมูลและคิดค้นพัฒนาแอปพลิเคชันการช่วยเหลือนะครับแอปพลิเคชันแรกในเมืองไทยที่ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อมูลที่โปรตึ้งเองที่พร้อมด้วยศักยภาพในด้านการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยระบบการแจ้งเหตุอุบัติเหตุอุบัติภัยได้อย่างฉับไวแม่นยํา ด้วยระบบการจัดส่งพิกัดอัต โ, ตโนมัติรวมถึงระบบติดตามการปฏิบัติงานของทีมโปรเจกตตึงไม่ว่าคุณจะประสบหรือพบอุบัติเหตุอุบัติภยัยใดๆคุณก็จะสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้และอุ่นใจเมื่อทราบว่าผู้ที่เข้าร่วม ช่วยเหลือเป็นใครและสามารถติดตามเจ้าหน้าที่จะเดินทางเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหรือเร็วทามกับฟีเจอร์กดแจ้งเหตุนะครับนอกจากนี้ครับผู้นู้ฟังผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโปรติกตึง1481ที่สะดวกแจ้งเหตุผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่มุที่โปรติกตึงก็สามารถโทรเข้าสายด่วนโปรตตึงหมายเลข1418ผ่านแอปพลิเคชันได้เพียงสคลิกเท่านั้นกับ เจติดต่อเรานะครับรวมทั้งผู้ใช้ยังสามารถตรวจสอบพิกัดการเกิดอุบัติเหตุที่ทางพิพอดิ้งได้กําลังดําเนินการช่วยเหลือนะครับในรัศมี5กิโลเมตรได้กับพิจเจอร์อุบัติเหตุรวมถึงสามารถติดตามข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆในการช่วยเหลือต่างๆ ที่่เองผานช่องทางาาางข่วสสรรและะนี้รูลทั้ี่โปรติกตึ้งเองได้ไม่ได้หวังให้ประชาชนมีการแจ้งเหตุเข้ามามากมายเพราะนั่นหมายถึงความทุกข์ร้อนและความสูญเสียแต่มูลที่โปรติกต้งเองยังหวังนะฮะว่าเมื่อพี่น้องประชาชนประสบภยัยหรือภัยพิบัติต่างๆหรือพบเห็นความเดือดร้อนแอปพลิเคชันโปรติกตึ้ง1481นี้จะเป็นช่องทางในการเชื่อมตรงถึงทีมงานที่พร้อมช่วยเหลือโดยประชาชนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโปรติกต้ง1418ฟรีได้แล้ววันนี้นะครับ ค้นหาคำว่าปอติ๊งหนึ่งสี่ทั้งระบบ App Store และระบบ Play Store หรือดูละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w 1 4 1 8 h e l ็บหนนคะครับคุณฝังครับกับอีกหนึ่งช่องทางนะครับกับการเปิดตัวแอปพลิเคชันช่วยเหลือ1418ขอนงะครับของที่ปอติ๊งเองที่เปิดช่องทางให้กับประชาชนเนี่ยในการแจ้งเหตุหรือ ขอความช่วยเหลือต่างๆเมื่อเกิดเหตุหรือเกิดภัยพิบัตินะฮะรวมถึงติดตามเหตุต่างๆได้กับแอปพลิเคชันนี้นะครับถือว่าเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชนันและสายด่วนอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วในการให้การช่วยเหลือบริการให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งช่องทางนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับช่วงของคนอาสานะครับช่วงหน้าคนอาสาเป็นเรื่องราวของหมอนักบุญนะครับในการจัดโครงการตรวจสุขภาพสัญจรติดตามได้ในช่วงหน้ากับคนอาสากันครับ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 กลับมากับช่วงนี้นะครับกับช่วงคนอาสาครับคนอาสาวันนี้นะครับเราจะพาไปชื่นชมนะครับกับเรื่องราวของหมอนักบุญในการจัดโครงการตรวจสุขภาพสัญจรนะครับคุณฟังครับประโยคสั้นๆแต่ยิ่งใหญ่เหลือเกินก็แค่คำว่าอยากคิดอยากทำนะฮะมีความสุขก็ทำโดยเราจะไปชื่นชม แพทย์ทหารเสียสละนะครับที่ทุ่งเทจัดโครงการตรวจสุขภาพสัญจรให้กับเด็กและประชาชนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับคุณฟังครับหากเอ่ยถึงอาชีพหมอสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือผู้ชายใส่เสื้อคุมสีขาว ส, าสะอาดสะอ้านฐานะร่ำรวยชีวิตเพียบพร้อมสมบูนแบบในทุกๆด้านนะครับแต่ไม่ใช่ว่าชีพหมอจะสบายทุกคนครับคุณนุ่ฟังเพราะยังมีหมอที่ทํางานทุ่มเทเสียสละเพื่อสังคมโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนโดยการออกหน่วยแพทย์ในพื้นที่ธุระกันดารเข้าไปช่วยเหลือให้ความรู้กับประชา ชนยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณสุว่เมธาสิงห์วีระสมร น, นะครับหรือว่าหมอเอมเจ้าของโครงการตรวจสุขภาพสัญจรนะครับสังกัดกรมการแพทย์ทหารบกและธรรมรักสุขขุมวาดหรือเสืออายุ33ปีผู้ประสานงานโครงการตรวจสุขภาพสัญจร TAVA นะครับสหนุ่มวงการแพทย์ คนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่อุทิศตัวทํางานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงนะครับกว่า10ปีนะครับที่เขาสัญจรเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆในหมู่บ้านซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้ทําเล่นๆนะครับด้วยคุณธรรมรักบอกนะครับว่ารู้จักหมอเอมตอนปีหนึ่งที่อยู่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนด้วยปัจจุบันนะครับหมอเอมกําลังเรียนต่อแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กเดียวจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับเกิดจากการได้คุยกันสมัยเป็นหมอนะครับด้วยหมอเอมยังเป็นนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่1 ว่าอยากทําโครงการอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับในความสามารถที่พอจะทําได้นะครับกระทั่งปี2551ได้จัดทําโครงการตรวจสุขภาพสัญจรขึ้นเป็นครั้งแรกที่พระชวังสนามจันทร์อําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนะครับจุดประสงค์เพื่อตรวจสุขภาพและให้ความรู้เบื้องต้นแก่คนที่มาออกกาลังกายโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่ๆน้องๆมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ว่าจะเป็นคณะเทคนิคการแพทย์กายภาพบําบัดพยาบาลรวมถึงบุคลากรด้านต่างๆที่มาช่วยกันคนละไม้ละมือรวมทั้งน้องๆ นักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่1วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเก้าที่กําลังเป็นกําลังหลักด้วยนะครับหลังจากที่โครงการสําเร็จในครั้งแรกนะครับพวกเขาดีใจมากนะครับจึงมีการเริ่มดําเนินโครงการต่อไปเป็นโครงการสมทบกับกลุ่มจิบทหารนะครับเป็นโครงการตรวจสุขภาพสัญจรครั้งที่2ที่วัดบางเพลิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับการแจกของของกลุ่มพี่ๆกลุ่มจิบทหารนะครับ tmvc นะครับหรือจะเป็นโครงการตรวจสุขภาพสัญจรครั้งที่เดินทางไกลที่สุดและเดินทางด้วยรถจิปทหารคือโครงการตรวจสุขภาพสัญจรครั้งที่3ที่โรงเรียนบ้านห้วยปรกากรงตําบลคานีจื้ออาเภอแม่ระมาจังหวัดตากนะครับด้วยครั้งนั้นหมอเอมเป็นนายแพทย์เพียงคนเดียวและมีน้องๆเทคนิคการแพทย์สัตวแพทย์น้องพยาบาลสมาชิกกลุ่มจิปทหารมาช่วยทํากิจกรรมให้กับเด็กๆ ด, ด, ด้วยนะครับด้วยหลังจากการเดินทางในครั้งนั้นเห็นถึงความขาดแคลนด้านสาธารณสุ ข, ขของเด็กไทย ในพื้นที่ห่างไกลจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการตรวจสุขภาพสัญจรครั้งต่อๆมานะครับที่มุ่งเน้นตรวจสุขภาพเด็กๆและชาวบ้านตามโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนต่างๆโดยมีหมอเอมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการระดมอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์และคุณเสือเองในการคอยประสานงานกลุ่มและชมรมต่างๆในการเตรียมงานและทําให้งานในการออกหน่วยแต่ละครั้งสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการคัดเลือกโรงเรียนที่จะทําการตรวจสุขภาพสัญจรจะเลือกโรงเรียนที่ห่างไกลาจากโรงพยาบาลที่หมอเอ็มทางานไม่ เพื่อที่จะได้อาสาสมัครที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลที่หมอเอมทํางานเป็นทีมหลักในการตรวจสุขภาพนะครับโดยมีทีมงานออฟโรดและพี่น้องสายสุขภาพและสาขาอาชีพต่างๆเข้ามาร่วมทํางานเป็นทีมเสริมนะครับโดยสองครั้งล่าสุดที่เพิ่งจัดโครงการก็ได้มีทีมจากทีมโรงพยาบาลค่ายธนรัฐอําเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอทหารทุกท่านที่มาร่วมออกหน่วยสุขภาพให้กับเด็กๆตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับชาวบ้านหมอฟันที่นําทีมเพื่อนหมอฟันจากทั่วประเทศ มาตรวจสุขภาพช่องปากเคลือบฟูร่ายให้กับเด็กๆนะครับทีมพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายและทั่วประเทศนะครับที่มาช่วยในหลายๆด้านนะครับ ตั้งแต่คัดกรองจนถึงทํากิจกรรมให้กับเด็กๆทีมเภสัชนะครับอาสาสมัครจากที่ต่างๆที่มาทําการใจยาสอนวิธีการใช้ยาให้กับชาวบ้านาผ่านทางรามและคู่มือการใช้ยาแบบรูปแบบสําหรับชาวบ้านที่อ่านภาษาไทยไม่ออกทีมเทคนิคการแพทย์และทีมกระจภาพของมหิดล น, นะครับที่มาช่วยในการเจาะเลือดเช็คหมู่เลือดและค่าน้ําตาลในเลือดให้กับชาวบ้านนะครับส่วนกิจกรรมอื่นนอกเหนือการตรวจสุขภาพ ก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสืปบป่านครปฐมสัมสนุยอุปกรณ์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการเข้าพื้นที่อุปกรณ์ใช้นังชมลมคนลักจิภักเจ็ดสัมสนุนการทำครัวและอาหารการกินของสมาชิกนะครับก๋วยเตี๋ยวสูตรปลูกป่าที่ไปทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆทีมงานยอดแหลมไรเตอร์สำหรับกิจกรรมงานวัดยามค่าคืนทีมงานปลูกป่าหัวใจ ปูกไว้บนแผ่นดินที่สนนุนการจัดหางบประมาณบริจาคติดต่อประสานงานกับผู้นำกิจกรรมสนานาราการกลุ่มจิบทหารที่สนนุนด้านกำลังคนและยานพาหนะครอบครัวของอาสาสมัครคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอเองรวมถึงสมาชิกทุกท่านที่เข้าใจและให้รับให้การสนับสนุนโครงการมา ตลอดนะครับรวมถึงอีกหลายกลุ่มคนหลายๆ ห, หน่วยงานที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินสิ่งของเพื่อใช้ในการดําเนินโครงการหรือจัดซื้อเสื้อยืดโครงการเพื่อนําเงินมาบริหารจัดการดูแลค่าใช้ใจ่ายของสมาชิกในวันโครงการนะครับต้องบอกว่าน่าชื่นชมกับโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากๆครับคุณผู้ฟังพวกเขาเหนื่อยแต่มีความสุขที่ได้ช่วยหเหลือคนขอบคุณแพทย์พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆสิ่งดีๆที่ทําให้กับเด็กและชาวบ้านโดยเฉพาะหมอเอ็มและ คุณเสือนะครับทั้งสองคนที่มีบทบาทสําคัญมากกับโครงการดังกล่าวสมแล้วนะครับกับการที่เป็นหมอทหารนะครับแค่อยากทําก็ทําสุกก็ทําและนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคุณหมอนักบุญนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆนี้ด้วยนะครับจากคอรัมคนดีของสังคมจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวนะครับคุณฝังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับช่วงของภารกิจจิตอาสากับเรื่องราวของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในการเชิญชวนบริจาคสิ่งของหรือเป็นจิตอาสาด้วยครับ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 และสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีศูนย์รังสิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม02 592 1933กลับมากับช่วงสุดท้ายนะครับกับช่วงภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้ภารกิจจิตอาสามีเรื่องราวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาเชิญชวนในการบริจาคสิ่งของรวมถึงเชิญชวนเป็นจิตอาสาด้วยนะครับ ้วยนางพัชรีอาระยะกุลนะครับผู้ตวรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวนะครับว่าปัญหาอุทกภัยพายุโพดุลทำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือหลายจังหวัด ได้รับความเดือดร้อนกว่า 400,000 คนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนสตรีผู้ไร้โอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลําบากได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับทั้งในช่วงที่น้ําท่วมและภายหลังจากน้ําลดแล้วนะครับเนื่องจากที่อยู่อาศัยและสิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองจึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานองคอ์กรพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเลยนะครับให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคหรือเงินบริจาคหรือจะเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยติดต่อแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับของทุกจังหวัดในพื้นที่น้าท่วมได้ทุกแห่งเลยนะครับหรือจะแจ้งความประสงค์ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300หรือทาง Facebook แผงเพจศูนย์รับบริจากระทรวงัฒนาสังคมและ ม, มั่นคง ของมนุษย์นะครับกรณีที่เกิดอุทกภัยหรือภัยต่างๆที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ที่ประสบภัยพร้อมให้บริการ ช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นกรณีฉุกเฉินนะครับโดยบางหน่วยงานก็ได้ทําการเปิดสํานักงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านหน่วย ง, งานต่างๆของกระทรวงในพื้นที่ได้นะครับและนี่คือเรื่องราวในช่วงของภารกิจจิตอาสากับเรื่องราวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกับการเชิญชวนบริจาคสินของรวมถึงเชิญชวนเป็นจิตอาสาด้วยนะครับคุณผู้งครับและเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเรามา พร้อมมาครบทั้ง3ช่วงของรายการทั้งคิดอาสาคนอาสารวมถึงภารกิจจิตอาสาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับผู้ฟังผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการสุขอาสาได้ใหม่ทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุใรใจเสียงมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลเพชรบุรีนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตวลาไปจริงๆแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วครับสวัสดีครับ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 I'm.